131. รหลับตาปฏิบัตินั้นปิดประตูบรรลุพุทธธรรมดังนั้นอดีตกับอนาคตจึงยามมวไปเพ้อหลงฝันกันอยู่เลยผู้พ้นจากการหลงเพ้อไม่ปฏิบัติจมอยู่กับอดีตหรืออนาคตถอนตัวมาปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันได้ผู้นี้พ้นมิจฉาทิฏฐิขั้นหนึ่งแล้ว ที่จะปฏิบัติกับกามมุลหลดละกามตัณหาให้ได้ลดกามได้นั่นแหละจะเป็นชาหนึ่งสในขณะลืมตาไปตามลำดับการลดละกามคุลหหรือการทำชาหนึ่งานี้ก็ยังใช่จะสำ ม, มาจฉิกันได้ง่ายๆ ทุกวันนี้ในวงการพุทธก็ยังไม่เห็นว่าจะพิจารณาเวทนาในเวทนารู้จกักรู้แจ้งรู้จริงเวทนา108โดยเฉพาะแยกเคหะสิตะเวทนา18ที่เป็นโลกียะกับเนฆามะสิตะเวทนา18ที่เป็นโรกุตระ ทำเวทนาสองให้เป็นเอกะสโมโสารนากันได้หรือพิจารณาจิตในจิตได้และปฏิบัติกระทั่งมีผลชัดตามเจโตปริยญาณ16หจนที่สุดเป็นอนุตรจิตครบสมาหิตะวิมุตย้ำซ้ำอีกทีหลับตาปฏิบัตินั้นจมอยู่ในอดีตกับอนาคตจึงปิดประตู ที่จะบรรลุธรรมของพุทธ ย, ย่างสัมมาทิฐิแน่นอนแล้วแม้จะอยู่กับปัจจุบันแท้ๆมีจิตเคลื่อนรับวิถีมีผัสสะหกอายตนะหกหากยังลดละกําจัดกิเลสยังไม่ได้ก็ยังมีมิจฉาทิฐิกันอยู่จนกว่าจะเป็นผู้กําจัดกิเลสลงได้จึงจะเป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติ ไม่ใช่ว่ามีสัมมาทิฏฐิแค่รู้ว่าต้องปฏิบัติลืมตาเป็นปัจจุบันเท่านั้นก็จะสัมมาทิฏฐิได้มากผลเลยไม่ใช่เพียงแค่นี้ต้องปฏิบัติจนเป็นสัมมาปฏิบัติเกิดสัมมาผลก่อนจึงจะบริบูรณ์ไปกับสัมมาทิฏฐิที่ปฏิบัติได้นั้นๆเข้าใจชัดขึ้นไหม ถึงอย่างไรลืมตาปฏิบัตินี้ก็ยังเป็นภาวะที่เป็นความจริงสัตย์จากขั้นหนึ่งแล้วคือลืมตาปฏิบัติจึงชื่อว่าสัมมาทิฐิขั้นต้นส่วนปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลก็เป็นส่วนที่ยังสัมมาทิฐิหรือยังมิจฉาทิฐิในส่วนนั้นอีกในขั้นต่อไป สัมมาผลจึงชื่อว่าความจริงเพราะมีลาบยศสันเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกและภายในครบไม่ใช่ผลมีแต่อยู่ในฝันหลงอยู่ในความเพอลอยลมวมอยู่กับวิมานในภพไม่มีสมมติไม่มีความเห็นร่วมกับใครเห็นอยู่ผู้เดียวรู้อยู่ผู้เดียว จึงเป็นแต่เพียงฝันยังไม่มีความจริงถือว่าบรรลุทำไม่ได้เพราะหลับตาปฏิบัติยังมีสัจจะหรือยังมีความจริงไม่ครบไม่เป็นเอหิปาสิโกเชิญให้ใครมาดูมาเห็นไม่ได้